หกจห้าบุญกรรมของแต่ละคนวงเล็บเปิดสิห้ามีนาคม25งพห้จุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดหลวงพ่อสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าคนที่สแสวงหาธรรมะเนี่ยบางคนพอเริ่มหาก็เจอบางคนต้องไปตกละก ร, รมลําบากมาช่วงหนึ่งถึงจะเจอบางคนหาอย่างไรก็ไม่เจอมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมด้วยอย่างบางคนชอบปาฏิหารไม่สนใจเรื่องสติปตัฏฐานฉะนั้นจะสแสวงหาปาฏิหารไปเรื่อย หลวงพ่อรู้จักพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านก็อยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่บริสุทธิ์หมดจดไปหาท่านไปเยี่ยมท่านนะท่านจะชวนคุยเรื่องอภิญญาพอไปกราบท่านนะท่านก็บุบเร็วมากเลยนะดูหลวงพ่อปุ๊บท่านก็น่าสลดนิดหน่อยท่านบอกโอ้ท่านปราโมทเดินทางตรงผมต้องเดินทางอ้อมถามทําไมหลวงพ่อต้องเดินทางอ้อมมันชอบไม่รู้เป็นอย่างไรหลวงพ่อชอบอภินญาบอกหลวงพ่อสอนผมบ้างสิ ท่านบอกว่าอภิญญาเขาไม่สอนกันหรอกต้องไปอยู่ด้วยกันนะคลุกคลีแล้วก็ดูเอาแล้วท่านก็จะเล่าเรื่องพระอภิญญาต่างๆนานาอายุเท่านั้นร้อยปีเท่านั้นร้อยปีท่านไปเที่ยวหานี่ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้นะมันก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสนใจเรื่องความพ้นทุกข์มันไม่ยากอะไรอยากพ้นทุกข์จริงๆก็ไม่ต้องไปค้นคว้าอิทธิปาฏิหารอะไรอิทธิปาฏิหารไม่ทําให้พ้นทุกข์ถ้าหวังความพ้นทุกข์จริงๆไม่ยากหรอกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจ เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจนี่เองคอยรู้ลงไปว่าความทุกข์มันมาได้อย่างไรความทุกข์เข้ามาในกายได้อย่างไรทุกข์มาในใจได้อย่างไรคอยรู้คอยดูเรื่อยๆวันหนึ่งก็รู้จริงรู้แจ้งขึ้นมาไม่มีอะไรหรอกความทุกข์ในร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาต้องทุกข์เป็นวิบากหมายถึงว่าเป็นผลของกรรมในอดีตอย่างกรรมส่งผลมาทาให้เรามีพันธุกรรมแบบนี้อายุเท่านี้ต้องเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้ หรืออายุเท่านี้ต้องเป็นเบาหวานนี่กรรมมันส่งผลมาให้หรือบางคนต้องหูหนวกตาบอดกรรมมันส่งผลมาให้ฉะนั้นทางร่างกายเนี่ยนะแก้ไขไม่ได้มันเป็นผลของกรรมอย่างเดินซุ่มซ่ามนะต้นไม้เกี่ยวลูกตาหลุดอย่างไรก็ตาบอดเป็นผลของกรรมคือความซุ่มซ่ามมีความประมาทกินเหล้าขับรถชนกันแข้งขาขาดแข้งขาขาดเป็นผลของกรรมของความประมาทคือไม่เฉพาะกรรมในอดีตชาตินะ กรรมในปัจจุบันนั่นแหละตัวสําคัญเลยฉะนั้นทางร่างกายแก้ไขไม่ได้หรอกถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้แต่ทางจิตใจเนี่ยเรารนหาที่เอาเองไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้นะเราทําตัวเองทําสดสดร้อนๆ้อนแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่อใดจิตใจเรามีความอยากเมื่อใดจิตใจเรามีความยึดถือเราจะทุกข์ทันทีดังนั้นความทุกข์นี่เราหามาเองสร้างขึ้นมาเองไม่สร้างก็ได้ถ้าฉลาดพอ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องฉลาดพอที่เรามาฝึกกรรมฐานกันเนี่ยนะหัดรู้กายหัดรู้ใจเพื่อให้ฉลาดพอนั่นแหละฉลาดพอคือให้มีสัมมาทิฐิมีปัญญาฉลาดรู้ความจริงของกายของใจ